โดยที่สุดแม้แต่พระตถ า, าคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นพาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามจากโกรธาสงสารเป็นบุคคลที่หาผู้ใดเปรียบเทียบมิได้โดยศีลเป็นผู้มีศีลหาผู้ใดเปรียบมิได้มีสมาธิมีปัญญาวิมุตติวิมุตติยานะทัศนะมีคุณธรรมเหล่านั้นซึ่งหาผู้ใดเปรียบปานมิได้ในโลก พระ อ, องค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ละแต่งละทำที่คว ร, รละทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งเ จ, จริญคุณธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์พระ อ, องค์มีกําลังทั้งทศพลยาน10ิประการน่ยนะถึงอย่างนั้นก็ยังดับขันธปรินิพานเพราะฉะนั้นรูปก็สลายแล้วว่าจุติจิตก็เกิดขึ้นเนี่ยนะกรรมชรูปทุกอย่างก็ดับหมด มันก็ยังปริณิพานธ์ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารและดับวิญญาณเพรานเมื่อพระองค์ดับรูปเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะรูปเป็นที่ตั้งแห่งรูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมเมื่อรูปดับศีลทั้งหลายก็เป็นอันดับเนี่ยนะสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายก็เป็นอันดับปัญญาก็ดับลงเพราะอะไรเพราะรูปดับเพราะอย่างว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นโดยอาศัยประทีป นนเหมือนแสงสว่างของประทีปที่ต้องอาศัยไส้น้ำมันถ้าหากว่าหมดไส้หมดน้ำมันสิ้นเชื้อไปแล้วเนี่ยนะแสงสว่างจะสว่างขึ้นมาได้อย่างไรในที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ดับขันธปรินิพานดับดับอะไรดับรูป แล้วก็ดับศีลสมาธิปัญญาดับพร้อมกับจุตติดจิตเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ้นเชื้อที่จะทําให้ปฏิสนธิในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานสิ้นเชื้อที่จะทําให้ปฏิสนธิในมนุษย์และเทวดาสิ้นเชื้อที่จะนําเกิดในรูปประพบและอรูปประพบสิ้นเชื้อที่จะสู่ภพสามสิ้นเชื้อที่จะทําให้เกิดในกําเนิดสี่สิ้นเชื้อที่จะทําให้ปฏิสนธิใน อันนะ อ, อุบัตสี่หรือว่าปฏิสนธิโดยคติหวิญญาณธิติหรือสัตว์วาดเหล่าใดที่จะพึงเกิดขึ้นพระองค์ได้ทำลายด้วยอหรหัตตมรรคของพระองค์เสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็ปรินิพานอันเท้าสามบดีพรมก็บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังปรินิพานเนี่ยนะ ก็เท่าก็บอกว่าแล้วคนที่เหลือล่าเนี่ยนะใครที่เจริญมรณาอุสติก็คิดเลยบอกโอ๊ยผู้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะอย่างปรินิพานเหมือนอย่างว่าขนาดดวงอาทิตย์สว่างแบบตอนนี้ใครจะคิดว่ามืดได้ใช่ไหมอีกแปดชั่วโมงข้างหน้าจะสว่างเท่านี้อีกไหมไม่แล้วมืดแล้วเอ็มเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมพระพุทธเจ้าผู้มีคุณเช่นนี้ยังปรินิพานเป็นไปได้ยังไงก็เป็นไปแล้วอะ่ะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้ว ตอนที่พระองค์ปรินิพานเนี่ยนะพร้อมกับปรินิพานของพระองค์เทา้าส ก, กะทเทวราชก็กล่าวว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะเนี่ยนะสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงหนอะอุปทัททะยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทุกชนิดที่เกิดขึ้นมาในโลกแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเป็นที่สดเมื่อย่อมเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยนะขันทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดก็เกิดเพราะ ปัจจัยทำให้เกิดเนี่ยนะปัจจัยที่ทาให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าสิ้นปัจจัยขันทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอันดับไปแต่ผู้ที่เข้าไปสงบดับสังขารเหล่านี้ได้อันนี้เป็นสุขนะเข้าไปสงบระงับดับสังขารเหล่านี้ได้เนี่ยเป็นสุขอันนี้เป็นชื่อของพระนิพพาน ในอัธกถาหน้า443ย่อหน้าสุดท้ายกล่าวว่าอุปทวยธรรมนิโนสังขารทุกชนิดล้วนแต่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นสภาวะสภาวะของสังขารเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นและดับไปแตกทําลายไปเป็นที่สุดแต่ถ้าผู้ใดดับสังขารเหล่านั้นได้เตสังวุปสโมเนี่ยนะวูปัสมะวุปสมโมแปลว่าสงบสงบระ ง, งับสังขารธรรมที่สงบระ ง, งับสังขาร น, นั้นก็คือพระนิพพาน พระนิพพานอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอย่างแท้จริงนี่แหละเป็นความสุขพระนิพพานนั้นทั้งเป็นสุขแท้อีกในหนึ่งถ้าไม่มีนิพพานจะดับสังขารได้ไหมสังขารก็ดับไม่ได้หรอกเพราะไม่มีถ้าไม่มีพระนิพพานมันพระนิพพานจึงเป็นธรรมที่ดับ สังขารปัวควาเข้าไปสงบประงับดับสังขารได้นะั่นแหละเป็นสุขเนี่ยนะก็อันนี้ก็เป็นการประกาศอริยศาสตร์ของเท้าสักกะเนี่ยท่านคำหนึ่งว่าสังขารเนี่ยมีความไม่เที่ยงอย่างนี้มีความเกิดอย่างนี้เป็นธรรมดามีความเสื่อมเป็นอย่างนี้และมีปกติที่เกิดขึ้นและดับไปถ้าหากว่าผู้ใดสงบประงับดับสังขารเหล่านี้ได้ช่างเป็นสุขแท้เนี่ยนะดับสังขารกับตายในคุอันกันนะ คำว่าเข้าไปสงบสังขารตัวนั้นสงบด้วยพระนิพพานที่สงบสังขารทั้งปวงไม่ใช่แปลว่าตายแล้วสบายเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นฝ่ายพระอนุรทธะเนี่ยนะพร้อมกับขณะที่พระองค์ปรินิพพานท่านก็กล่าวว่าลมอสัศสะปัสสะของพระมุนีผู้มีพระหอริยตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหว ปรารบสันติการทำกาละและไม่ได้มีแล้วแปลว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ลมไม่เหลือแล้วเพราะผ่านุรุธาเนี่ยคอยกําหนดจิตพระพุทธเจ้าตลอดเลยนะตอนเนี้ยพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับไหนคิดอะไรคิดว่าอย่างไรเนี่ยท่านเช็คความคิดพระพุทธเจ้าในที่สุดก็เลยบอกว่าถ้าลมอัศสาสะปัสสาสะเนี่ยนะลมนี่เป็นจิตตชารูปถ้าจิตดับจิตตชรูปเหล่านี้ก็เป็นอันดับอ น, นะจิตตชรูปเหล่านี้นี่ดับไปสิ้นแล้ว พระองค์ผู้มีจิตใจตั้งมั่นใจของพระองค์นี่ไม่ได้แบบแม้ตายแบบคนกำลังฟุ้งซ่านคนกำลังทุกข์ระทมทนกำลังเครียดเดือดร้อนไม่สบายใจเป็นต้นบอกไม่พระองค์นี่เป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตั้งมั่นระดับปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานและจตุตฌานเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมและอนิธารมไม่หวั่นไหวในลาบและความ เสื่อมลาบปลารบอนุปาที่เสสานิพานสันติคืออนุปาที่เสสานิพานปรารบธรรมที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะแม้ลมหายใจตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนที่พระองค์ปรินิพานก็มีจิตใจไม่หดหู่หดหู่แปลว่าอะไรน้อยซึมอะ น, นะหมดสภาพอะไรเป็นนี้ไม่พระพองค์เบิกบานเต็มที่เบิกบานด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเบิกบานด้วยพุทธญานทั้งหลาย ขณะเดียวกันเนี่ยร่างกายจะเจ็บปวดพระองค์ก็อดกลั้นเวทนาเหล่านั้นได้ความหลุดพ้นได้มีแล้วสําหรับพระองค์เหมือนประทีปดับไปฉะนั้นความหลุดพ้นเนี่ยคือพระองค์เนี่ยหลุดพ้นจากเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยนะยึดถือรูปมีรูปอีกต่อไปไหม ย, ยึดรูปเอาใหม่ไหมยึดเวยึดถือเวทนาเพิ่มใหม่ไหมยึดถือสัญญายึดถือสังขารและยึดถือวิญญาณได้ไหมเมื่อ ย, ยึดพน้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไปแล้วเนีญญ่ยนะ จะบัญญัติพระองค์ว่าเป็นอะไรต่อไปเพราะรูปเป็นที่ตั้งแห่งการบัญญัติเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งการบัญญัติสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นที่ตั้งแห่งการบัญญัตินั้นจิตเจตสิรกรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติสมมุติบัญญัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เกิดจากจิตเจตสิกเกิดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ อาศัยอายตนะอาศัยธาตุทั้งหลายนั่นแหละจึงมีการบัญญัติว่ารูปเวทนาว่าสัตว์บุคคลตัวตนเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยนะปรารบความดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและพระองก็พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกับดวงประทีบที่ดับไปโดยที่ปราศจากเชื้อปราศนะก็หมดไป อ น, นี้เป็นคําของพระอนุรธทธะเนี่ยนะกล่าวถึงการปรินิพานของพระองค์ฝ่ายท่านพระนนเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ปรินิพานก็กล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐประกอบด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงคือไม่มีส่วนใดของพระองค์ที่น่าตําหนิแม้แต่นิดเดียว เนี่ยนะโดยรูปปกายโดยพระสรีระคุณโดยพระพุทธคุณสิ่งเหล่าใดก็ตามเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตำหนิไม่ได้แม้แต่นิดเดียวประเสริฐสมบูรณ์ทุกอย่างเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นน่าสะพึงกลัวแล้วก็น่าเกิดความขนพองสยองกล้าวแผ่นดินก็หวั่นไหว้ย่างนั้นแะแผ่นดินหวั่นไหวด้วยอะไร ด้วยโสกกะก็เรียกว่าแผ่นดินอย่างสะอื้นนี่หมายถึงเทวดาที่ดูแลแผ่นดินก็เลยที่มาอะไรธรณีกันแสงอ่ะนะแปบลบว่าแผ่นดินยังร้องให้อ่ะนะถ้าสําหรับคนที่อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ธรณียังร้องให้เลยก็เลยบอกโอ้แผ่นก็เรียกว่าอารคเทวดาทั้งหลายเทยวดาที่ประจําภาค พ, พื้นเนี่ยเสียใจมากว่าผู้มีบุญอย่างนี้ปรินิพานเนี่ยนะแต่ถ้าคนเลวปรินิพานเนี่ยแผ่นดินหัวเราะเลยนะ เบาใจไปทีหนึ่งนะนะเพราะตอนอยู่ก็รองไม่ได้อยู่แล้วนะอย่างพระเทวทัพเนี่ยแผ่นดินบอกโอ้ยฉันรับไม่ได้แล้วเนี่ยนะไปอยู่โน่นลึกไปกอาแผ่นดินเธออย่างนี้แต่นี้สำหรับพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระองค์นั้นคือสำหรับบุคคลทั้งหลายแหละ ท, ท, ที่ยังมีราคะทุกคนนี่อะไรคิดถึง พระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีใครเสียใจ อ, อไม่มีใครดีใจเลยที่พระองค์ปรินิพานเสียใจเนี่ยก็เหมือนใช้คําว่าดวงประทีปแห่งโลกดับไปแล้วดวงตาของโลกดับไปแล้วเหมือนคนที่ยังต้องอาศัยตาดูอะไรอีกมากมายถ้าตาจะบอดจะดีใจไหมฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉะนั้นไม่ดีใจเลยที่ดวงตาคือพระพุทธเจ้านี้ดับไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้ว บรรดาภิกษุเหล่านั้นผู้ที่ยังมีราคะอย่างละราคะไม่ได้บางพวกก็ประคองแขนทั้งสองร้องให้คล่ำครวนล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดตลำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระผู้เป็นพระจักสุในโลกหรือพระผู้มีจักสุในโลกอันตรทานเร็วยิ่งนัก เร็วแท้เนี่ยนะ45ปีจริงๆนะตลอดเรียกว่าสร้างบารมีมา4อสงไขยแสนกับใช้ชีวิตความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปราศนามาสา4อสงไขยแสนกับ45ปีถือว่าแม้น้อยจริงๆเลยนะน้อยจริงบางเาบอกว่ า, วาพระผู้มีจักสุอันตรธานไปจากโลกนี่เร็วนักเร็วแท้ส่วนภิกษุที่มีราคะหมดแล้วดับดับราคะเสร็จแล้วคือพระนาคามีและพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะ ท่านเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอจะหาความเที่ยงแท้แน่นอนจากสังขารได้จากที่ไหนเป็นไปได้ไหมขอรูปจงเที่ยงเถอะขอได้ไหมไม่ได้หรอกขอเวทนาขอสัญญาขอสังขารและวิญญาณจงเที่ยงแท้ยั่งยืนมั่นคงต่อไปอยู่เถิดบอกไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอเนี่ยนะ อันนั้พระรูปขันธ์ที่บุญตกแต่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันธ์ห้าของพระพุทธเจ้าที่บุญตกแต่งมาอย่างดีอย่างนั้นก็ยังไม่เที่ยงเลยเนี่ยนะพระภิกษุก็ร้องให้กันกระจองแงเลยแหลนะอนนสำหรับองค์ที่ยังเป็นพระสกะทาคามีและพระโสดาบันแล้วก็พระภิกษุที่ยังเป็นปุตุชนทั้งหลายเนี่ยร้องให้กันระงมเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะ พระอนุรุทธะก็เตือนพระพิสุท์ทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอย่าเศร้าโศกอย่าร้องให้ร่ำไรกันไปเลยอย่ามาครวญครวญมาอวดครวญอะไรตอนนี้เลยอย่างนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกไว้สอนบอกสอนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆมีอะไรบ้างเช่นต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปอ่ะอันนี้แน่นอนไปยังไงก็จะต้องพลัดพรากจาก ของที่เรารักของที่เราชอบใจทั้งสิ้นแหละเพราะฉะนั้นจะขอว่าขอของที่เรารักขอของที่ชอบใจอย่าได้พลัดพลาอย่าได้เป็นไปต่างๆนานาเลยขอจงคงเดิมเถอะการขอร้องอ้อนวอนแบบนี้จะหาได้จากที่ไหน น, นะเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมีแล้วถูกปัดใจปรุงแต่งแล้วมีความแตกทาลายเป็นธรรมดาการที่ไปปรารถนาว่า ขอสิ่งนั้นของเราอย่าได้แตกทาลายไปเลยข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้หรอกไปขอให้รูปเที่ยงรูปเวทนาเที่ยงสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงยัง่งยืนเป็นคําขอที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องแตกสลายเนี่ยนะเพราะสังข า, ทางรทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเชื่อไหมพวกท่านร้องไห้เนี่ยเทวดาเขายกโทษกันอยู่นะ เทวดาเขาเขายกโทษกันอยู่เทวดาเขายกโทษว่ า, าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่อาจจะอดกลั้นแม้ด้วยได้ตนเองเนี่ยนะก็แค่นี้ก็เลิกรออ้องอะไรเทวดา พระพิสุท์ั้งหลายพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายตัวเองก็แหมยังต้องร้องให้แล้วจะไปปลอบใจปลอบโยนคนอื่นได้ยังไงอาก็คนร้องให้ปลอบใจคนร้องให้เคยเห็นไหมล่ะนะคนสะอื้นปลอบใจคนสะอื้นเนี่ยตามงานศพนะร้องให้ทั้งคู่นะแล้วมาปลอบใจอย่าร้องให้เลยนะอีกฝ่ายก็ร้องให้อยู่โง่เลยอย่าร้องให้เลยนะเนี่ยนะอะไรมาอย่างนั้นแหละเทวดาก็เลยเพ่งโทษเนี่ยถ้าท่านมโวแต่ร้องให้นะนะถ้าพระเทพไปร้องให้ไปเนี่ยจะทํำยังไงนะ เออเนี่ยถ้าเทศไปร้องไห้ไปจะโยมอย่าเสียใจแล้วก็สะอึกสะอื้นนั่นๆ่ะนะว่า อ, อะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านโวแต่ร้องไห้กันอย่างนี้และจะไปปลอบอกปลอบใจมหาชนกันอย่างไรนี่พระนนทก็ถามพระอนุรุตะตอนนี้เทวดาเขาทําไว้ในใจอย่างไรพระนนถามว่าเทวดาเขาคิดอะไรกันอยู่ พานุรุธาก็ต่อว่าอนนุ์มีเทวดาบางพวกสาคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ำครวนอยู่ลม้มลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนมีเท้าขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระผู้มีพระจักษุในโลกอันตรทานเร็วนักอันนี้พวก เทวดาพวกนี้สำคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินพวกที่อีกกลุ่มหนึ่งมีความสำคัญแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินแล้วก็สยายผมร้องให้คล่ำครวญล้ะนะลมลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระผู้มีพระจักษุในโลกอันตรทานเร็วนัก ส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะแล้วคือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะพระอนาคา ม, มีทั้งหลายอเทวดาที่เป็นพระอนาคา ม, มีและเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นพิจารณาอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะข้อนั้นจะได้ในสังขารจากที่ไหนไอข้อที่เราจะ เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นน่ะจะไปได้จากสังขารจากที่ไหนอยากให้รูปเป็นของเที่ยงได้จากที่ไหนอยากให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเที่ยงจะหาได้จากที่ไหนลำดับนั้นท่านพน่านรุธาและพระอนนท์ก็ยังราตรีที่เหลือให้ล่วงไปด้วยธรรมมีกะถา คือเหลือเวลาเล็กน้อยเนี่ยนะก่อนสว่างท่านทั้งสองก็ช่วยกันแสดงธรรมเนี่ยนะช่วยกันประกาศอริยสัจจะรมช่วยกันประกาศถึงอะไรประกาศถึงชาติชาาและมรณะประกาศถึงว่าปฏิบัติเช่นไรจึงจะได้พ้นจากชาราและมรณะเนี่ยนะปฏิบัติอย่างไรจะได้อบอุ่นใ จ, จเจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาสว่างขึ้นมาท่านท่านรุทธะก็สั่งท่านท่านานนท์ว่าไปเถิดอนนท์ จงเข้าไปยังกรุงกุสิรืไปเข้าไปยังเมืองกุสินาราบอกแก่พวกมลกษัตริย์เมืองกุสินาราว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วขอพวกท่านจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดท่านท่านนก็รับคําของท่านพระอนุรุทธะเสร็จแล้วเวลาเช้าเนี่ยนะท่านนนก็ถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่เมืองกุสินาราเพียงลําพังผู้เดียวเนี่ยนะเพื่อที่จะไปบอกข่าวให้ เจ้ามาละทั้งหลายฟังนะนะซึ่งข่าวจะเป็นยังไงก็คงตอนบ่ายแล้วเข้ามาต่อแล้วกันนะสำหรับตอนเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้